ร่วมนะแต่สมุนพลังเหล่านี้เหมือนพลังกิเลสพลังของธรรมกิเลสเป็นสมุนหนึ่งพลังธรรมเป็นมุนหนึ่งพลังกิเลสเป็นมุนหนึ่งกิเลสเป็นสมุนหนึ่งเป็นมนน่พลังธรรมเป็นมุนน่ะ ครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันหมายถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชจนอยู่สมัยปัจจุบันนี้มีแต่พระาวาท์คำสั่งสอนพระองค์เองกดับทรงดับขันตรงผ่าน ตามเรื่องของธาตุขันซึ่งเป็นเรื่องของสมมตุติมีความต่างกันอย่างหนึ่งความต่างกันอันดับสองก็คือพระพุทธการมีความมุ่งมั่นและถือการปฏิบัติธรรมเพื่อรุ่งแจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายเป็นนาคฐานอันสําคัญในวงพระศาสนาในวงของ อุทเวิสัทว์และพระภิกษุภิกษุนีตลอดสามมรรคนำมาสมัยปัจจุบันนี้จากภาคปฏิบัติรู้สึกว่าเบาบางมากแทบจะว่าไม่มีซึ่งเกิดจากความไม่สนใจเป็นส่วนมากหรือการร่มการเดียนเป็นมกักเป็นผล ไเสียโดยไม่ได้คำนึงว่านั่นเป็นเพียงความจำคือการเรียนเพื่อความจำอันดับต่อไปจิตยงเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะตักตวงเอามักเอาผลขึ้นมาอันนี้ถือเอาภาคปฏิปริยัตคือการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นมักเป็นผลเสียเลย ในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมาได้มากน้อยจึงมีความภาคภูมิใจโอ้อาจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งๆที่ทิเรศก็ไม่ได้หลุดลอยหรือถลอกปอกเปลือกไปแม้แต่นิดนอกจากทิ่เรดพองตัวขึ้นมาเพราะความจําได้นั้นเท่านั้นนั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้หากการศึกษาเรียนเพื่อการปฏิบัติ มีอยู่ดังสมัยพุทธกาลแล้วการตักตวงอามรผลนิพานก็ต้องมีอยู่เช่นเดียวกันหาก จ, จะต่างกันอยู่บ้างก็คือผู้เชี่ยวชาญต่อการแนะนำสั่งสอนนั้นจะอาจจะมีมากน้อยต่างกันเมื่อมีมี มีน้อยต่างกันเช่นนี้การศึกษาทงางภาคปฏิบัติย่อมไม่สะดวกเหมือนมีครูมีอาจารย์ขอยแนะนําสักเกื่ยนสั่งสอนด้วยความเขี่ยวชานเฉลียวฉลาดโดยที่เดินผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายมักและฝ่ายผลดังครั้งผู้จการท่านดําเนินมีความต่างกันมีเท่านี้ส่วนชาสนธธรรมนั้นคงเส้นคงวาสภาพทั้งหลายที่มีอยู่ ตามหลักธรรมที่สอนไม้ประกาศเอาไว้นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอที่จะมาแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาเัางที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีนี่พูดย่นๆนเข้ามาก็กิเลสและธรรมมีอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่มีมาตั้งเดิมมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันหมดต่ดางแต่ความรู้ความเห็นของคนที่จะนามาแยกมาแยกมาปฏิบัติแก้ไขดัดแปลง มากน้อยต่างกันเพียงไรหรือไม่เท่านั้นศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องต่างกันว่าครัง้งพุทธการกับครั้งนี้ไปเสียเลยไกลกันอย่างลึกล้ำราฟ้ากับดินดีไมด่ดีอาจจะสุดเอื้อมหมดฝังในความรู้สึกของคนเป็นส่วนมากก็ได้เรายังแน่ใจด้วยว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความรู้สึกทั้งหลายนี้ถูกทุ่มเทไปในทางอื่นเสียมากกว่ามากที่จะ มาคิดให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักความริงแห็งาศาสนธรรมเราพูดอย่างนี้พูดในวงชาวพูดเราไมา่ได้พูดถึงคนที่ไม่เคยสนใจต่อพุทธศาสนาไดเลยพูดในวงชาวพูดซึ่งมักจะทุ่มเทจิตใจไปทางอื่นเยอะมากนี่แหละความรู้สึกของใจมันต่างกันเช่นนี้ข้ามขั้ประการผลจะพึงได้รับจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวหากมีผู้สนใจ ฝ่ายอัดฝ่ายรมด้วยภาคปฏิบัติสมเช่นเดียวกับทางภาคปริ ย, ยัิด้วยแล้วผลแต่สืบต่อกันมาโดยลำดับลำดหบไม่ขาดว่าขาดตอนตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันปัจจุบันและยังจะสืบต่อไปเรื่อยๆเพราะทำทั้งสามอย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกคือปริญัดในการศึกษา ส, สำเนียกศึกษาเี้ยวดีน เมื่อความสนใจอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วใฝ่ต่อการปฏิบัติจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติดังที่พระอุปชาท่านสอนให้ทุกทกององในขณะที่บวชจะบวชเป็นเนงก็ตามบวชเป็นพระก็ตามนั่นคือภาคปริยัติอยู่แล้วนั่นละพื้นเพแห่งปริยัติคืออะไร ก็คือรรมาฐานห้าที่อุปชามอบให้นั่นแหละนั่นคือพื้นเพ่แห่งปริยัติที่อุปชามอบให้คุณบุตรผู้บวชใหม่เกสาโลมานาขาทันตาตะโจมีกวาอนุโลมพิจารนให้พิจารณาอนุโลมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท่านสอนนี่ธันตานาขาโลมาเกษา นี่คือปฏิโญมคือให้กำหนดพิจารณาค่้ครควนสิ่งเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังท่านเรียกว่าอนุโลมปติโญมสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอยู่ภายในกายของเรารอบตัวหรือเต็มตัวมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเต็มอยู่นี่เพราะมันเกี่ยวโยงกันจริงเรียกว่าไม่มีอย่างอื่นมีแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงมันเต็มหมดในร่างกายของเรา อาโจนข้อไปแล้วนี่นี่ท่านเรียกว่าภาคพื้นปริยัติที่ริชาหมอบให้เป็นเรื่องสำคัญมากอุปชาแต่และองค์งที่จะได้มาบวชกุณบุตรสุดท้ายภายหลังต้องเป็นผู้สาเนียกศึกษาสนใจในกรรมาฐานทั้งห้านี้เป็นอย่างน้อย ทุกทุกอง์ิึงต้องบวชคุณบุตรยุท่ายภผ่หลังได้และสอนไปตามแนวนี้นี่คือภาพปริยัตเราจะเข้าใจองไม่เรียนหรือเรียนแล้วเนี่ยขั้งพุทธการท่านเรียนอย่างนี้เรียนจากอุชาแล้วก็เรียนจากครูจากอาจารย์แขนงต่างๆวิธีปธิบัติพอเสร็จแล้วก็ลุกโมุรเสนาสนางังนัางที่ท่านบอกเนะี่ยอุปชาบอก มาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุขโมเลเซนนาสนังนิสราบประประชาราเปยยวาจีวัมุซาหูการนโยคือถ้าเราพูดมันภาษาเรียบๆธรรมดาๆ ม, มันก็จะกลายปเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาไปหมดแล้วเพออิ่องอยู่ตามลุขโมลลำไม้ ต่อไปนั้นกับชายป่าชาเขาตามถ้ำเงื้อมผาไอ้เพ่งทำความรุตสาพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนีแต่ผู้ที่สอนเพื่อความเอาจริงเอาจังโดยเห็นว่ากิเลสเป็นฆาสศึกเป็นภัยจริงๆต่อจิตใจของสัตว์โลกแล้วจะมาสอนแบบอุสุภาพอ่อนโยนให้กิเลสมันหัวเราะได้อย่างไรก็ต้องสอนลงแบบจริงแบบจังทีเดียว ที่ตรงไหนกิเลสจะสะเทือนหัวใจกิเลสจะถลอกปอกเปิกจะเดือดร้อนวุ่นวายแล้วสัมละสายจนถึงแตกบ้านแตกเมืองออกจากจิตใจต้องเน้นหนักศาตราอาวุธคือพระโอวาทคำสังสอนลงที่ตรงนั้นถ้าเป็นอุชาก็โอ๊ะโอวาทคำสั่งสอนตีลงที่ตรงนั้ น, น, น ต, รตรงนั้ น, น, นให้ถึงใจคุณบุตรสุดท้ายภายหลังผู้มาบวชกับอุบาข น, นั้นว่าโน่นป่าเห็นหม ที่นั่นที่กิเลสกลัวตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองนั่นเป็นที่สั่งสมของกิเลสน่ะนะมันแก้กันเข้ามาพลิกกันเข้ามาอย่างนี้หลักคำกับหลักกับกิเลสมันมันอยู่คนละเปียวมันติดพันกันอยู่นั่นนะอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวอยู่คนละฉากเพราะนั้นการแก้จริงต้องให้เน้นให้หนักการสอนต้องเน้นหนักไม่เน้นหนักผู้ฟังผู้จะรู้สึกมีความรู้สึกเน้นหนัก หรือถึงใจได้อย่างไรแล้วกูสอนต้องเป็นผู้เข้าใจนั่นเป็นอันดับแรกทีเดียวเข้าใจเรื่องเกสาลุมานาคาตันตาตโจเข้าใจเรื่องกรรมฐานได้เป็นอย่างดีอย่างทั้งบูตการท่านเป็นอุปชามีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเป็นอุปชานั่นขนาดพระอรหันต์เป็นอุปชาทําไมจะไม่เด็ดไม่เดียวทําไมจะไม่เน้นหนักถึงจุดอันสําคัญสําคัญของเกศเดชแต่และตัวละตัวมันซุ่มซ่อนมันหลบซ่อนหากิน อยู่ในที่ตรงไหนบ้างท่านต้องทราบหมดแล้ววิธีตีต้อนกิเลสฆ่ากิเลสท่านก็ทราบหมดเพราะฉะนั้นการแสดงออกแต่ละบทละบาทของท่านผู้สิ้นกิเลสอาชวะหรือท่านฆ่ากิเลสทายหมดเรียบร้อยแล้วภายในใจนั้นจึงเน้นหนักหรือจึงกระจ่างแจ้งจึงแตกฉานมากทีเดียวผิดกับคนทั้งหลายเป็นอันมากสอน ลุกโมรเซนาสนังก็ชี้บอกนู่นป่านู่นเขานั่นแหละกิเลสจะทังทลายลงไปที่จุดนั้นแหะตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมตรงไหนที่ไม่หน้าหวาดหน้ากลัวกิเลสก็ไม่กลัวตรงไหนไม่ล่อแหลมกิเลสก็ไม่ล่อแหลมนั่นตรงไหนไม่หน้ากลัวกิเลสไม่น้ากลัวตรงไหนไม่กลัวตายกิเลสก็ไม่กลัวตายตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นแหละกิเลสมันก็กลัวตายเหมือนกันตรงไหนที่เราออยากขาดแคนกิเลสจะอดอยากขาดแคน ตรงไหนที่เราว่าจะตายแล้วกลัวตายหรือเราจะตายนั้นะกิเลส จ, จะตายที่ตรงนั้นนั่นมันย่ำันลงอย่างนั้นธรรมะคำสอนมูเจ้าย่ำลงย่ำลงเพราะเหตุใดจึงย่ำลงผู้ที่ท่านมาสอนอย่างนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วคือเข้าใจตามวิถีที่ว่านั้นทั้งนั้นถ้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่เห็นกําลังขอ ง, ขอ ง, ของตัวเองไม่เห็นกําลังของความกลัวซะก่อนจะไม่เห็นกําลังของความกล้าที่เกิดขึ้นภายใ น, ในใจิตใจไม่เห็นกําลังของกิเลส ต่อสู้ระหว่างเจริญกับธรรมแล้วจะไม่เห็นกําลังของธรรมแล้วจะไม่เห็นความแพ้ความชนะกันเพระาะฉะนั้นจึงต้องเอาให้เน้นให้หนักเช่นสอนเขาอยู่ในป่าใะเขาก็สอนนั่นนะ่ะนั่นนะ น, น, น, น, น, น, นั้นนะขี้เข้าไปขี้เข้าไปนั่นแหะเป็นสถานที่เจริญจะเดือดร้อนวุ่นวายเจรลญจะรั่วสัมรสาเจริญจะแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองสาหแหลกภพบชาติขาด จ, จากจิตใจของเราจะขาดที่ตรงนั้นแหละที่โก้งที่ เรา怕 ก, กลัวๆเรากลัวตายเรากลัวอดอยากขัดแทนอนั้นและตรงนั้นะกิเลสกลัวเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขความสบายนั่นคือความสุขความสบายของกิเลสไม่ใช่ความสุขความสบายของเรามันเเราเป็นฉากบเฉยด้วยเห็นนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความกระทบกระเทอือนเช่นเดียวกับกระทบกระเทอือนในร่างกายและ จ, จิตใจเช่นเดียวกับเขาขึ้นต่อกกอนหรือต่อยกันบนเวที เขาไม่ต่อยเวทีนั่งมวยเขาต่อยกันต่างหากแต่เวทีก็พ้นความกระทบกระเทือนไปไม่ได้ต้องกระทบกระเทือนนี่ก็ร่างกายจิตใจมันเป็นเวทีของระหว่างที่เหลือกับทําต่อสู้กันจึงต้องมีความกระทบกระเทืนอนเอากระทบก็เทือนไปเถอะนะถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วให้ได้เห็นเรื่องเห็นเหล่าแต่ทุกจะยากจะลำบากขนาดไหนให้มันเห็นให้มันรู้สิ่งเหล่านี้เป็นหินลับปัญญา ถ้าไม่ได้ทุกข์ซะก่อนมันไม่เกิดปัญญาคนเราเมื่อไม่ถึงขั้นที่ปัญญาจะเกิดหรืออัตตาหิตโนนาโถช่วยตนเองได้มันมันไ ม, ไม่ไม่เกิดนะ่ะเมื่อถึงขั้นจนกรอกจนมุมแล้วนั่นแหละเกิดปัญญาเกิดตรงนั้นไม่มีที่อาศัยพึ่งอาศัยแล้วมันก็วิ่งเข้าหาตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละนะอัตตาหิตโนนาโถแต่ก่อนเราเองก็ไม่เข้าใจ แปลว่อัตตาอิจโตนาตถูให้ช่วยช่วยตัวเองตัวเตัวนัว้นแหละเป็นที่พึ่งของตัวท่านว่าอย่างนี้วันแรกคิดตปหาแต่เรื่องที่พึ่งคนอื่นถ้าไม่พึ่งคนอื่นมันจะได้เหรอเนี่ยมันคิดไปอย่างนั้นเสียทั้งๆที่นิสัยของสัตว์โลกมันก็พึ่งคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้หวังพึ่งตัวเองควรที่จะมาพึ่งตัวเองดังที่คุยเจ้าสอนซะมั่งให้ได้เห็นเหตุเห็นผลนี้มันไม่คิดแต่พอเข้าทางจนตอกจนมุมแล้วมันเป็นไปได้ นี่เรพูดถึงเรื่องภาคปริญัติท่านสอนอย่างนั้นพอสอนเรื่องเอสาลุมานาขาธันตาตะโจกรรมาฐานที่ตั้งแห่งงานเมื่อแปลออกแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานงานอะไรงานเพื่อตัดภพตัดชาติงานไอ ว, วิเศษวิโสหรืองานกองทุกข์ทั้งหลายระหว่างกิเลสกับทำหรือกับหิบถ้าต่อสู้กันนี่จะทุกข์ที่สุดก็คืองานอันนี้แล้วลื้อภพลื้อชาติไอพ้นให้ขาดสะบ้านจากจิตใจถึงบรมมาสุข ได้ก็ก็คืองานอันนี้อันนั้นจึงว่าว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานงานของพระงานของผู้ที่จะรื้อตนออกจากวัดตาสงสารจะไม่ต้องมาเวือนไม้าตายเกิดในภพในชาติดังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในสามโลกธาตุนี้อีกต่อไปจึงควรเข้มข้นในเรื่องความภาคความเพียรความอดความอดความทนควรอดควาทนเพราะทุกข์ก็ กับพ่อกิเลสอํานาจของกิเลสก็เคยทุกมาแล้วสุกเพร่ออำนาจของกิเลสก็เคยสุกมาแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษที่โสยอย่างไรบ้างแล้วทุกข์พ่ออำนาจแห่งการต่อสู้กิเลสก็ให้เห็นบั่งสิแล้วเวลาได้รับความสุขความสบายพ่ออำนาจแห่งธรรมก็ให้รู้ให้เห็นภานในจิตใจของเรานี่นี่เมื่อได้เรียนก็มาถามนี่เนี่ยเอาเอาลุคโมโรเซนนาสนังสถานใดที่เป็นป่าเป็นเขาลำนาภัยที <reco Christ. S 1> ่เปลี่ยว ที่เป็นที่สงัดงบเงียบไม่มีอะไรยุ่งกวนใจให้เข้าสู่สถานที่นั้นเอาทําเป็นธรรมาวุธฒะเทสาลมานาถาทันตาตะโจนี้เป็นเครื่องศาสตราวุธที่ต่อสู้กับพิ่เหลือาคือพิจารณาในนี้เป็นชายสมองและภูมิเทสาเป็นยังไงโลมานาถาถันตาตะโจเป็นยังไงอยู่ในตัวของเราที่นี่กิตขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกัน จิตเมื่อไม่มีที่ทไปที่มาถูกบังคับบัญชาอยู่เสมอด้วยความจนตอกเกนมุมแล้วย่อมทํางานให้เมื่อไปทํางานแล้วความจริงมันเป็นยังไงจะไม่ทราบความจริงไงปัญญาต้องอย่างเข้าหาความจริงเมื่ออย่างเข้าหาความจริงต้องรู้ความจริงเมือรู้ความจริงแล้วทําไมจะไม่อาจฐานจิตใจของเรา อ, อย่างดังตั้งภาคปริญัตเราเรียนมาเรียนมาจําได้หมายรู้ตามบทตามบาัตร อาถบาลีนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจําได้นั้นไม่ได้มีความอาจหานเลยเลยหากจําได้หากมาอาจหานทําไม่คล่องตัวถึงแปรก็ไม่คล่องตัวรู้ก็ไม่คล่องตัวเพราะเพียงจําได้แต่พอมาปฏิบัติได้เข้า อ, อกเข้าใจขามาเกสาโรมาณนะคะนตา ต, าตาโรเป็นต้นมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันอาจหานฮะอย่าว่าจะอาการห้านี่เลยหมดอาการฐันสองมันก็อาหานเพราะ สติปัญญาฟาดปันหั่นแหละเข้าไปจนแตกกระจ ก, กระจายหมดไม่มีอะไรเหลือพายในขันห้านี้เลยยิ่ที่ขึ้นชื่อว่าปัญญาได้อย่างลงไปแล้วที่ตรงไหนต้องแตกกระจาด ก, กระจายไปรด้วยความรู้แจ้งแทมกะลุกไปหมดนั่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาจหานร่างกายเป็นยังไงเราพิจารณามารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงด้วยปัญญาชาดเจนไม่ต้องไปถามใครเลย มันทราบด้วยปัญญาของตัวเองเองีกนั่นเนื้อออกจากนี้เราจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาไอาเวทนานี่สําคัญมากนะอืรูปขันก็สําคัญอย่างหนึ่งแต่เวลาจนเกะอะกินงงจริงมันมนัาจะเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นของสําคัญเมื่อทุกมากมากแล้วนั้นละ่ะปัญญามันก้าวเดินถ้าผู้มีใจฆ่าหันจริงๆแล้วจะหินอะ ทุกขเวทนาจะเป็นหินนักปัญญาได้เป็นอย่างดีทีเดียวขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาเอาทุกมันเกิดที่ตรงไหนสมมุติว่าทุกเกิดที่ที่ขาหรือที่เข่ามากกว่าเพื่อนที่สุดเอากําหนดลงไปที่เขามีอะไร่มีหนังหุ้มน่กําหนดดูหนังไปยังไงหนังเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ทุกดับไปทําไมหนังยังมีอยู่นี่ปัญญามันเจาะเข้าไปเจาะเข้าไป หรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ย้อนหน้าย้อนหลังว่าอะไรเป็นทุกข์จิตเจาะลงไปตรงนั้นปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นจนหัะจึงเห็นความจริงไม่เห็นความจริงย้อนหลังกลับมาดูจิตย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาเวทนาเป็นยังไงคำว่าทุกขเวทนาเขารู้ความหมายของเขาไหมเขาว่าเขาได้เป็นทุกขแก่เราไหมเขาว่าเขาให้เขาบีบคั้นเราไหมคำว่าทุกขเป็นยังไงนั่นเป็นหนังเป็นต้น เขาว่าเขาเป็นทุกข์ไหมดูหนังอีกตัวที่ระลามเป็นทุกข์หนังก็สักแต่ว่าหนังมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดอทุกข์ก็มีความเกิดขึ้นระดับไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเลยและไม่มีความหมายในตัวของเราด้วยจิตเป็นยังไงจิตเมื่อเราพิจารณาเข้าไปจริงจตก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นมีสัญญาอารมณ์ท่านันเป็นความหมายไปหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์สุดท้ายก็มาว่าเราเป็นทุกข์เราเลยไปแบกเอาทุกข์ทั้งทั้งที่ร้อนร้งนทั้งทั้งท ทั้งๆที่กลัวๆนั้นเข้ามาใส่หัวใจเขาอีกยิ่งเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมากมายถ้าสติปัญญาไม่ทันถ้าถ้าสติปัญญาทันแล้วก็ชะเนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นความจริงของใครของเราอยู่เท่านั้นเวทนาคือความทุกข์มันก็เป็นสักเวทนาอยู่เท่านั้นไม่เป็นออื่นอะไรเลยไม่มีความหมายตัวเองอาการเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองและไม่มีความหมายในในจิตเมตตาจิตไปให้ความหมายเขาจิตก็คือตัวหลงไปสําคัญมั่นหมาย มันออกจากอะไรมันยึงไปหลงก็ตัวอวิชชาแล้วน่ยแต่เราจะไม่กล่าวมันไปสําคัญว่า น, นั้นเป็นทุกิรืทุกแล้วก็ป้านเอาสิ่งนั้นเข้ามาเผาตัวเองแตนี้พอมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วอาการแต่ละอาการเป็นตัวเองเป็นของตัวเองเป็นของอื่นเป็นความจริงของตัวแต่และอย่างาอย่งเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความจริงของแต่ของตัวเท่านั้นจิต ก, ก็มาย้อนรู้ตัวเองเจอจิตก็สับแต่ว่าจิตนเมื่ออาการไม่หลอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาหลอกตัวเอง จิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นของจริงอันหนึ่งกายส่วนต่างๆเป็นของจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่กระทบกันหน่อยเป็นความจริงตามสภาพของตนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกันเพียงเท่านี้เราก็ทราบความจริงในการพิจารณาสติปัฏฐานสีานาน่หรือพิจารณาเวทนาหรือเวทนาพิจารณาขันมีรูปขันกับเวทนาขัน สัญญาขันก็ทราบไปในตัวนั้นสังขารขันผู้ปรุงผู้หลอกตัวเองสัญญาขันผู้หลอกตัวเองก็ทราบไปในตัวด้วยการพิพจารณาของหลักนั่นมันรู้ชัดเจนอยู่ภายในตัวเองนั่นเองนี่คือความจริงที่เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้รู้ได้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เกิดความกล้าหาญชาั่งถ่ายภายในจิตใจเพราะได้รู้ได้เห็นอ๋อการพิจารณารู้ขัน รู้ทุกเวทนารู้อย่างนี้เหลือก็ไม่ต้องถามไถยอาถานฌานไทยมากทีเดียวแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงอนาคตถึงขันจะแตกอย่าว่าแต่ทุกในปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้เลยแม้จะทุกในเวลาตายเจ้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะนั่นต้องเป็นเวทนาหน้าเก่าที่เคยเป็นอยู่บัดนี้แล้วในบัดนี้เราได้ทราบชัดหมดแล้วนึ่งเวทนาจะเป็นยังไงยังไงเราทราบชัดหมดแล้วเป็นั้งหน้าก็คือ ทุกขังอริยสัจจังอันเดียวกันแล้วตื่นมาที่ไหนในปัจจุบันนี้ไม่ตื่นอนาคตจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นอยู่ในขันอันนี้นะอนาคตก็ไม่ตื่นนะเมื่อทราบธาตแล้วเกิดความกล้าหาญนี่แหละย่อนพิจารณาแยกออกไปจกนกระทั่งถึงไม่มีอะไรตายเลมื่มันถึงรู้ได้ชัดแล้วตายอะไรส่วนรูปนี่เป็นเป็นเรื่องของธาตุธาตุินส่วนแข็งนี่หนังเนื้อเอ็นกระดูกอยนี้เป็นต้น มันก็เป็นส่วนธาตุดินแต่กระจายไปแล้วก็ลงประสู่ธาตุเดิมของตนน้ําก็ลงไปเป็นน้ําตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟตามเดิมอะไรตายไม่เห็นมีตายไฟตายไปไหนที่หายไปไหนดินที่หายไปไหนลมที่หายไปไหนมีอยู่ตามสภาพของตนจิตผู้ดูรู้ผู้กลัวตายนี้มันมันที่หายไปไหนเมื่อพิจารณาชาติกะระบาดราจิตยิ่งเด่นยิ่งเด่นนมันตายได้ยังไงธรรมชาติอันนี้มันก็รู้ได็ชดชาดว่าจิตนี้ไม่ตายนี่เพียงเท่านี้ก็จิต ก็รู้แล้วว่าจิตไม่ตายเรายังดวนพูดถึงขั้นวิมุตติหลุอพ้นเลยเพียงขั้นนี้เท่า น, นั้นก็ทราบจิตได้อย่างเด่นดวงว่าจิตก็ไม่ตายหายความกลัวมันกลัวมันกลัวอะไรเมื่อจิตก็ไม่ตายแล้วกลัวเลยมันกลัวบ้ามันเฉยๆโอ้ยหลอกกันทั้งๆที่ใครต้องมีเจตนาหลอกแต่หลอกเพือความหลงน่ะตายให้เป็นไปยเช่นนั้นจิตได้อย่างราบใช้ห น, หนึ่งนี้เท่านั้นคราวหลังเกิดความกล้าหาญด่านทถึงจิตจะ ไม่ได้รวมลงไปขนาดนั้นไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั้นก็ตามจิตจะไม่มีความกระทบสะท้านบั่นไหวเลยและจะไม่สงสัยในความจริงที่เคยรูเคยเห็นมาแล้วนั้นนี่เป็นบทเป็นบาทเป็นทางเดินอนันราบเรื่อนดีงามของผู้ที่เคยได้รู้ได้เห็นแล้วและเป็นต้นทุนอนนันสาคัญในการพิจารณานี่แหละเกิดความกล้าหาญทางไทยมากทีเดียวผู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นแม้แต่ทุกขเวทนาจะครอบจุน ถึงเวลาเก็บไายได้ป่วยถึงจะตายก็ตามจะไม่มีสะทกสะทานหว่นไหวเลยเพียงมีกิเลสอยู่ก็ตามเถอะความจริงของจิตมีอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวไม่ได้ปสะทกสะทานไม่ได้ไปอาจไปเอื้อมหรือไปพึ่งพิงอันนั้นพิงร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่ได้พึ่งนี่ถอยเข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองด้วยความรู้ตามเป็นจริงในสริงทั้งหลายแล้วอยู่อยู่ถึงจะแตกก็แตกสภาพไป ไ, ไม่ทนเอาแตกไปสภาพที่ทนอยู่นั่นฮันรู้ได้ชัดเจนอย่างนั้นที่นักปฏิบัติ ทำบุญเจ้าท่านสอนจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆจึงมาสอนโลกไม่ใช่มาสอนแบบหลอกลวงเห็นแลาปฏิบัติมีแต่เรื่องแบบหลอกตัวเองเดินตะโกนหยอกๆก็หลอกตัวเองกลัวจะมากไปนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกตัวเองทำความภาคควาเบียนมีแต่หลอกตัวเองให้กิเลสมันหลอกอันเลยไม่ได้ทำของจริงมีแต่มีแต่เรื่องหลอกเรื่องหลอกเรื่องหลอกมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันคือปฏิบัติตอนนี้มันจริงมันจางเลย มีเราท่านบอกภาคปริญัตแล้วก็ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ปฏิเวท่าคืออะไรคือความรู้แจ้งรู้แจ้งโดยลำหนดกานา ด, ดังที่กล่าวมานี้ก็คือความรู้แจ้งเป็นประเภทประเภทจงกระทั่งถึงความรู้แจ้งแทงทะลุหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชาปริญาสร้างข้าลาอวิชาปริญาวิญญาณอวิชาปริยาจงกระทั่งถึงสิ่งสุดไม่มีอะไรเหลืออ ว, อวิชาอวิชาตระเวรวเสสสปิลากาลิโลธัสร้างข้าลานโลดดับดับดับดับเลนั่นยิ่งสุดยอดเลยอม ถึงจะตายก็ตามจะเป็นอยู่ก็ตามจะไม่มีความจะทุกข์จะทานจะมีความกลัวตายไม่มีความกล้าหานความกล้าก็หมดความกลัวก็หมดเพราะเป็นเรื่องสมมุติด้วยกันมันตอบรับกันในระหว่างสมมุติเฉยเยเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ขั้นเป็นตัวของตัวเดิมอย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยที่สมมุติทั้งหลายมีขันเป็นต้นเข้าเกี่ยวข้องมาได้แล้วกลัวอะไรกล้าอะไร อ, อความกลัวก็เป็นสภาพหนึ่งความกล้าก็เป็นสภาพหนึ่งในขณะที่ดําเนินปฏิบัตปทานั้นความกลัวความกล้าต้อง ต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันไปมันเป็นคู่แข่งกันเหมือนกำ น, นังมวยชักต่อยกันอยู่แล้วต้องหวังมีแพ้มีชนะกันอยู่โดยดีมีการต่อสู้ระหว่างขี้เลร่กับธรรมก็ต้องมีการการแพ้กันชนะแล้วมีการกล้าหารชันชัยด้วยการกลัวกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อติดถึงขั้นหลุดพ้นลุดได้เต็มใช้ ช, ช, ช, ช, ชนะเต็มที่แล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็มีเอาเป็นก็อยู่เอ่ตาก็ตายไปที่อะไรตายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะโซกทาน ในหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นนั่นท่านพิจารณาให้มันถึงดูซี่เรื่องเหล่านี้นะ่ะไม่ตายมันก็รู้นะเราอย่าไปคอยเอาเวลาตายนะนี่นี่สอนกันทั้งทั้งที่รู้รู้ให้รู้ตั้งที่มีชีวิตยอยู่นี่นะ่ะการปฏิบัติก็ปฏิบททัติทั้งทั้งที่มีชีวิตยอยู่นี่ให้มันรู้ในทั้งทั้งที่มีชีวิตยอยู่นี่แล้วจะเป็นยังไงระหว่างขันกับจิตเป็นยังไงที่นี่เมื่อถึงขั้นมุ่มุ่ดหลุดพ้นจริงๆในหลักธรรมชาติของตนแล้วมั่นจะไม่มีอะไรมัอนอะไรอ้วนโอ้ย รบกวนหน่อยอื้วอนอพูดด้วยความเต็มอกจำใจพูดเพื่อให้หมู่ให้เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่านี่หน้านี่หน้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนไหนเนี่ยอยู่ในวงสัจธรรมทั้งสี่สัจธรรมทั้งสี่คืออะไรทุกสุนทัยโดนมากอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจิตอยู่ที่ขันท่าธรรมชาติที่รู้ๆนี่ก็อยู่ในทรามกายแห่งขันท่านี่ให้มันรู้ชัดายสิ่งเหล่านี้แล้วจะหายสงสัยไปหมดนั่นแหละพระูุที่เจ้า องค์ไหนที่ว่ามาตัสตลุตัตลุเราจะหายสงสัยไปหมดว่านิพานนิพานไปไหนถ้าลงไในธรรมชาติเอาความมือสุดตลอดถึงการพื้นปฏิบัติลงตนมาโดยลําดับธรรด า, ดาทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์กันเต็มที่แล้วมาเป็นเครื่องยืนยันภายในจิตใจแล้วสงสัยพระเจ้าไปที่ไหนไม่ว่าการดําเนินของพระองค์ไม่ว่าการรู้แจ้งแงทงทะลุของพระองค์ตลอดถึงสาวโบข้งหลายจะผิดกันไปจากอันธรรมชาตินี้ได้ยังไงมันเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่อย่างนี้ น่าหลังที่เรียกว่าอาการิโกอาการิโกอาการดีกจิตอาการดีกรธรรมไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีรัําเวลาเป็นความจริงตลอดเวลาอยู่กับความจริงตัวเองเมื่อจิตได้รู้ความจริงแล้วจริงจริงอย่างนั้นมันมีทางที่จะสงสัยนี่แหละทังพุทธการก็ตามทั้งไหนก็ตามขอให้ดาเนินตามหลักฐานธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เถิดพิจารณาลงในธาตุในขันในสัจธรรมหรือสติปัฏฐานทีให้ชื่อไว้ว่าธาตุ อ้าสัตว์จัตธรรมอริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่จิตของเราเนี่ยครอบอยู่นี้แบกกันไปมาอยู่นี่แต่มีแต่เรื่องแบกกับกิเลสไปด้วยนี่ไม่ได้แบกธรรมคือกติปัญญาลูกแย้งกันทะลุในตัวแต่มันสําคันผมยังไม่ค่อยรู้ค่อยเรื่องราวอะไรอะไรอืมท่านว่าปริยัต ปฏิบัติปฏิเวนมีความสนใจสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วผลทั้งทำทั้งสามนี้จะเกี่ยวยงกันไปไม่ว่าสมัยใดปริยัตคือการศึกษาเพื่อเข้า อ, อกเข้าใจในแนวทางที่จะถอดถอนกองทุกข์ออกจากใจคือกิเลสที่เป็นเชื้อที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันรู้วิธีการแล่ก็เป็นภาคปฏิบัติ ด, ดำเนินงานด้วยความสนใจเช่นเดียวกัน เห็นได้จะไม่รู้ไม่เห็นทมไม่ได้ปิดบังต่อผู้ใดเลย <p> มีอยู่ตลอดเวลาอากาศอีขึ้มันฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของเขาอยู่เคยมาชินชาหน้าด้านหรืออะไรกับ ก, บกบ อ, นนองทุกข์ความตุบผิวผิวของเลมาาืมันฉาบทาไว้นีความตุบอันหายกังวลวุ่นวายทั้งหลาย <continued> หายห่วงที่พระพุทธเจ้ายประก า, กาศสอนอยู่ตลอดเวลาทาไมไม่สนใจ มันถึงใจบ้างสินะัปฏิบัติถึงจะมีความเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือเรื่องของกิเลสมันติดมันทันอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ใครประสริในโลกนี้มีมไหแล้วก็มาเทียบบ้างสิยกจากตัวเราไปหาสู่แดนโลกธาตุมีใครวิเศษมากกว่ากันตรงไหนตรงไห น, ไหนมีที่ไหนอันส่วนให้ชื่อให้นามยศฐาบรรดาศักดิ์คือสิ๋งคานบริวารทัพสมบัติเงินทองนั้นให้ไปตามธรมธรมชาติธรรมชาตินั้นบ่คนนั้นจะมีสู่คนนี้จะมีสู่เพราะมียศถาบรรดาศักดิ์ พอมีเงินทองก็ของมรอสัตว์บริวารก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหะหลักธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไปถูกกิเลสบีบไปแล้วยาเข้าใจมันจะมีถูกเลยนี่คือหลักธรรมชาติแท้นี่แก้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่แก้มันออกเรียกแล้วแก้ทุกไม่ตกจะต้องบีบคั้นอย่างนั้นอย่างน้อยเป็นเป็ น, ปนไฟเผาที่แกรบเห็นไหมมันเผาอยู่ภายในจิตใจกิเลสมายาสแสดงมาเป็นอย่างนึ่งมันไม่ได้เหมือนกันนะกิเลสมันมีกลมายาหลายด้านหลายทางเหมือนกัน มันสูงอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไหม้แต่กองแตกนั่นเป็นอย่างนนั้อันนี้เป็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรนาใดจะเป็นเหมือนกันหมดเอาเรียนถ้ามันถึงถ้าอยากจะทราบพอได้พังอันนี้ออกแล้วจะอยู่ยังไงมันเป็น ก, ก, ก็โกงเงินท่านอย่างจรงอยู่ยังไงมันก็คือความหมดชือ้อความหมดห่วงหมนใจความเป็นมโลมมสุขความหายห่วงหายกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เยื่อใจเลยก็คือกิจที่ดวงที่บริสุทธิ์ล้นลวนแล้วนั้นเท่านั้น นั่นแหละผู้ชมความถุกคือผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่ที่กล่าวมาเหล่านั้นคราบจึงไม่เห็นว่าสิง่งนั้นเป็นของพระเสด็จสิ่งพระเสด็จคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเห่านี้ดังพูดทางสนังฉามีนี่เรากล่าวบ้าทุกวันทำมังก็คือทํามันพระเรสด็จสารทางสนังฉามีนี่พระเสด็จจริงสมชื่อสมนามที่เรากล่าวอ้างว่าพระเสด็จจริงของนั้นก็เป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราในโลกสมมติก็ต้องตั้งการเราไมไ่ต้องมีตอนนี้แต่เราเทียบเอาหลักความจริงเข้ามาพูดกันต่างหาก แล้วว่าในลบล้างสิ่งที่เก่ามาเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมจะทํายังไงโลกสมมติมีก็ต้องมีลมิตมีสิ่งเหล่านี้แต่เราอย่าหลงถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วอย่าหลงกลมายาของกิเลสของมัตตวนของส ม, มุทต์ทั้งหลายที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้เรารู้ทางออกทางเข้ารู้ทางแก้ทางปลดเพื่ตอตนเองมันจะได้พ้นภยัยถ้าไม่รู้แล้วไม่พ้นยังไงก็จมอนี้จนได้นั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายเราไม่ต้องสงสัยในตัวของเราเอาตัวงเรานี้เป็นเครื่องประกันเลยทีเดียวไม่ว่า ดวงวิญญาณใดไม่มีว่างจากความเกิดตายเป็นอย่างนี้ทุกดวงวิญญาณถ้าอาวิชชาปญาสร้างขลาไม่ได้ถูกพังทลายไปด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เรายันไในขนาดนี้เลยตายก็ตายแล้วไม่ได้เราไม่เคยมีความหวั่นไหวได้เห็นชัดเจนประจับใจแล้วเท่านั้นไม่ว่าใครหละจะอาหารพ์เดินกันหมดท้าพุฒิเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นพักศักษษิพยานพระองค์ได้ร้อยเปอร์เซ็นร้อเปอร์เซ็นต์ดูถึงขนาดที่พระสาวดิบุตร ได้พูดว่าแม่พระเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่ามันก็เพราะอะไรจึงไม่เชื่อก็เชื่อภาษาที่บุตรที่เป็นขึ้นภายในตัวเองเป็นหลักสักขีพยานของพระเจ้านั่นไม่เชื่อแต่เป็นสักดิ์พยานของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีนั่นสันติโกโอเป็นอย่างนี้นั่นคําว่าสันธิโกโอเป็นอย่างนี้เองจําเป็นอะไรจะผมให้พระพุทธเจ้ามาบอกมามาประกาศมายืนยันมารับรองล่ะภาษาสันติโกพระองค์ประกาศยืนยันไม่แล้วยังไงนี่คืออันนี้เองนี่ที่ว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ดังที่เราเคยพูดในั่แล้วในประยะหนึ่งจนพระตาบอดหงวกปาปิพาตุชนทั้งหลายยกโทษท่าสาริบุตรว่าไม่เชื่อบุริเจ้าเป็ น, นถึงขนาดพระอรหันนัแล้วอกาซาว่าข้ามขวาทำไมไม่เชื่อพระุทธเจ้าถ้าเป็นฟองพระพุริเจ้าพระพุทาก็รับสั่งว่าเป็นยังไงสาริบุตรไม่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราถาโคตรใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้เชื่อความสัตย์ความจริงในหัวใจของข้าพระองค์โดยเด็ดขาดด้วยสารติศ ฉันที่กระทของพระองค์เออใช่แล้วสารีบุตรใช่แล้วนะ้ฉันฉันที่ทีกะขึ้นมาเลยรู้เองเห็นเองดังพระเจ้าสอนวันมันก็เป็นสักกิพยานองค์ได้ร้อยเปอร์นี่สาวกทั้งหลายเอารู้ก็ไปที่องค์ไหนรู้ไม่ว่าวันไหนวันไหนวันนี้ก็เอาเถอถ้าจะเป็นจะเป็นสักกิพยานพระเจ้ามาได้แล้วมีเหรือในโลกกนี้สวัสดิ์ทำตัดไว้ชอบถึงขนานนั่นเดียวยืนยันที่เดียวอาถานต่อหลักความจริงทั้งหลายพระองค์สอนเพื่อหลักความจริงทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่ทําที่จะไปอุตริบอกว่ามีถ้าเซนของไม่มีแล้วไม่มีถ้ามีบอกว่ามีลบล้างไม่ได้ก็คือศาสตราองค์เอกแต่ละองค์องค์ที่มาตัดสินุทำแดนแห่งความจริงขั้งหลายนี่เองตามความจริงไม่เอียงสอนแบบตามแบบแห่งความมีความเป็นทั้งหลายสอนแบบเดียวนั้นหมดอผู้ปฏิบัติปฏิบัติให้รู้จริงจริงจริงตามนั้นแล้วค้านได้ยังไงฮะก็เมื่อมารู้มาเห็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไง นอกจากคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไม่มาเห็นมันค้านกันได้หูหนวกมันมันก็บอกมันไม่ได้ยินเจ้าตาบอดมันก็บอกไม่เห็นและผู้ไม่มาก็บอกไม่ไม่เห็นเนี่ยมันค้านกันได้แต่พูดที่ตาดีหูดีมาเห็นด้วยกันมารู้ด้วยกันเช่นรู้ในทำทำหลายรู้แบบกันเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงึงแต่ตาเนื <Shen ante> ้อเรานี si ้ไปเห็นด้วยกันนั่นยังค้านกันไม่หลงตาคนต่างลงเสียงเดียวกันเพราะเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันได้ยินด้วยกันพูดเป็นภาษาเดียวกันเข้าใจด้วยกัน นั่นก็รู้ด้วยกันยอมรับกันหมดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันทำมือเจ้าเป็นธรรมที่ยอมรับเพราะแสดงตามหลักความจริงไม่มีที่ไหนจะขัดข้านนอกจากคนหูหนวกตาบอดจยางพวกเราเราท่านๆ น, นี่เงินค้านผู้ดเจ้าก็คือกิเลสพาให้ค้านเราเองเราก็ไม่ตั้งใจอยากจะค้านเราหักไม่ทราบว่าเราเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสเอาไปค้านผู้ดเจ้าเอาเครื่องมือเราไปต่อสู้ผู้ดเจ้าเองทั้งๆที่เราเป็นชาวพูดลูกศิษิธาคตมบรต่อสู้ครูโดยมันรู้สึกตัวมันมีอยู่ในหัวใจของเรานัเนี่ะเพราะกิเลสพาให้ต่อสู้ี่ อ๋อจริงจังี่จะได้เห็นหมดเรื่องเหล่านี้หนีจากภาคปฏิบัติไปไม่ไม่พ้นเนี่ยสติปัญญาอย่างให้ดีตั้งให้ดีอยาเสียดายเวลาเวลายาเสียดายความเกิดจากเจิดตายมันไม่ไปไหนแล้วมันเกิดจากเจิดตายบนเวียนกันไปมาอยู่นี้ตลอดกับตลอดกันคือเราแต่ละท่านละท่านเราแต่ละลายลายสงสัยไปไหนอืที่จะออกจากนี้ที่มันเป็นของสำคัญเอาเบิกเบือนสิรเรื่อข้อปฏิบัติกําจัดกิเลสทั้งหลายนี่ละตัวภัยคือกิเลสไม่มีอะไรเป็นกิเลส ย, ยิ่งกวกกิเลสเป็นภยัยต่อจิตใจ มันพาให้วกเยียนเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ veis, up, น он, p, ่าเป็นก็มันก็เป็นแต่แล้วมันก็หลอกสิ่งใดที่จะจริงมันหลอกสิใดที่จะปลอมมันเอามาย้อมจิตใจของเราชัดโลกถึงหลงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความเคลอบเคริมรักก็ไม่อิ่มพอโกรธไม่อิ่มพอเกลียดไม่อิ่มพอข้าพิเรี่ยมของกิเลสแล้วไม่อิ่มพอทวิเรื่องของธรรมแล้วกิเลสให้อิ่มพอทันทีให้เบื่อให้หน่ายนั่นเมื่อกิเลสมีกําลังมากอย่างนั้นแต่พอธรรมมีกําลังมากเราวฟาดกับกิเลสเอาอีกแล้วที่นีรู้กันโกงกันนะเป็ร้อย เป็นว่าเปอรเซนตไปเลยจิตใจตรงนี้มันกิเลสมันเอาไปถลุงก็แหลกทําเข้าไปแทรกไม่ได้เลยถึงเวลามันในระยะที่ที่กิเลสมีอำนาจเรื่องอนาจมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราแต่และดวงดงรู้ในนี่แหละเวลานันเราจะรู้ในภาพปฏิวัติของเราเองพราะก้าเข้าสู่ภาพดีิวัติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มเป็นปัญญาเข้าไปนั่นอธิณีเริ่มนะจิตตรงนี้จะเป็นฐานที่ทํางานแห่งธรรมกิเลสจะจ ะ, จะเริ่มค่อย เสื่อมคลอยคลายคล อ, อยพังทลายลงไปโดยลาําดับดบต่อไปก็จิตดรงนี้เป็นโรงงานของการผิดธรรไปเลยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งมันทั้งคืนเดนเดินนัน่งนอนนั่นแหละที่นี่เอาละที่นี่คํามาความขี้เกียจยิ่ข้านเป็นเรื่องของเกียรตหายหน้าหายหน้าหายหน้าไม่ดเราก็เห็นโทษของที่เหลือที่อ๋อความขี้เหลวเรื่องของที่เลวเป็นอย่างนั้นเรื่องทีเหลวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรููกันไปหมดเลยทีเดียวพอทําได้ขึ้นแล้วมันมองเห็นหมดไงนั้นแหะท่าวัดอาธรรมอัตโนมัติผิด สติปัญญาตโนมัตได้ทํางานอยู่ในภายในของจิกิเลสพังลงพังลงพังลงสุดท้ายกิเลสมีอยู่ที่ไหนไม่ได้งานไม่ว่างไม่ว่างจากการคน้นคว้าไม่ว่างจากการทำลายกิเลสไม่ว่างขึ้นชั่ววิากิเลสมีอยู่ตรงไหนงานการบำเพ็ญธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี้จะไม่มีเวลาว่างเลยท่านอ ะ, ะมหาสติมหาปัญญาในขัง้งพุติการท่านว่างกันสติปัญญาตโนมัตคือหมุนตัวเป็นเดียวไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีการไปตั้งสติหากเป็นตั้งหลักธรรมชาติตนเอง เป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือจิตที่ถึงขั้นที่หมุนตัวเองแล้วจะทราบหมดกลมมายาของกิเลสทราบไปโดยลําดับลาบําดับจนกระทั่งกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วที่ธรรมาจักที่หมุนตัวเป็นเกลียวด้วยสติปัญญาสตาอตของเพียรนี้จะหยุดตัวของไปเองไม่ต้องบอกเพราะศรัทธาสติปัญญาศรัทธาควาเพียเหล่านี้ไม่ใช่บ้านนะี่นะทําสอนคนนี้เป็นบ้านมาื่อไรกิเลสตั้งหากสอนคนนี้เป็นบ้าเมื่อกิเลสมันสิ้นสุดลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมาวุธแล้วมันก็ยุติกันเองเดี๋ยวใช่ชนะแล้วไปโลกกับอะไรอีกฮ แค่จะน่าอย่างเด็ดขาดนีน่ที่นี่หมดเรื่องกังวลแห่งความเกิดจากเก็บตายไม่ต้องไปถามพี่ไหนปชาชญ์ที่นี่เนี่ยทำลายหมดแล้วปรชาชญ์ในพานจิตใจไม่ทำลายนี่เกิดเรื่อยตายเรื่อยอย่นนอ่ะมันเอาเชื่อปราชา์ประยุพานจิตในฟ้าไปเกิดไปตายไม่สงสัยมมันพาสัตว์เกิดสัตตายอยู่ทุกดวงวิญญาณเลยเพราะงานวิญญาณในสามแดนโลกธาตุนี้จริงไม่บ้างความเกิดความตายของสัตว์โลกตามภพภูมิมันหยาบอันละเอียดอย่งนั้นอ่ะตามมาภ พ, ร, พรูปรพภพรูปภพฟังเ แม้แต่อนาคามีถึงสุทธาวาสห้าชั้นนั่นเป็นไงสุทธาวาสห้าชั้นอวิหาตปลาชุลศรชุลสุทธศีอคันิฐานี่เป็นที่บรรจุของพระอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับแห่งความเป็นพระอนาคามีถ้าสังสอบก็ได้ห้าสิเปอร์เซ็นไปแล้วเรียกว่าได้และห้าสิเปอร์เซนแล้วจะค่อยๆขยิบขึ้นไปเรื่อยหกสิเปร็สิเเรื่อยขึ้นไปโดยหลักธรรมชาตินี้อัตโนมัตินี่ของจิตของผู้บำเพ็ญ เมื่อก้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ได้สเร็จพระนาคามีกล้าขึ้นถึงขั้นสุทธาวาสห้าชั้นนี้แล้วเจงไม่กลับคือหมุนตัวไปเรื่อยเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่แก่ได้ระดับแล้วจะไม่จะไม่เน่าไม่เฟะจะแก่ไปเรื่อยจะบ่มก็ตามไม่บ่มก็ตามแล้วแก่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดเนี่ยจิที่ แก่ตัวก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ระดับในะอัตโนมัติของตัวเองที่จะบ่มตัวเองบินชิงตัวเองไปโดยโดยหลักธรรมชาติด้วยธรรมธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติอค่อยหมดไปหมดไปโดยหลักธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจนกล้าขึ้นไปกล้าเลื่อนอวิหารอตปาแล้วก็สุตสาตัวศีไปตามภูมิของกิจของธรรมถึงอ ก, า น, า น, า น, กนิกฐาผ่านจากนั้นก็นิพานนั่นไม่คืนมาอีกขั้นห้าพระอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับ จนกระทั่งถึงอรคารอคัมีเต็มอนาคามีเต็มภูมิก็ไปพรนิธิถ้าแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานนี่ท่านเหล่านี้ไม่กลับถ้าลงนี่เป็นอัตโนมัติภายในจิตในธรรมแล้วไม่กลับเนี่ยขั้นภูมิของพระนาคารมีนี่เป็นภูมิอัตโนมัติไม่กลับไปเรื่อยๆเลยท่านผู้สําเร็จพระนาคามีจึงไม่วอกเวียนมาเกิดอีกต่อไปเนี่ยอานาจของกางจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสุดเลยนั่นหมือนประการนั้น พอออกจากนั่นแล้วก็ไปเรื่อยไปโดยธรรมาชาติตัวเองถ้าหากว่าเราจะเที่ยวกับเหมือนอาวากาศมันมีเครื่องดึงดูดไปเรื่อยเรื่อยเรื่กยจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็รู้เองอยากให้รู้ในนี้นะยาไปไปหมายนะเอายี่ห้าสภาสุภาษิตจะไปหมายนั้นที่เป็นที่บรรจุของกิจที่อยู่ในระดับใดเท่านั้นให้บํําบาเพ็ญตนน้งต น, ต น, ตนให้อยู่ในระดับที่จะก้าขึ้นสู่โดย ความสิ้นทุกข์โดยลําดับภายในจิตนี่เถอะให้มันรู้ตรงนี้อวิหาตรงนี้อัตตาสุชาสุาสีตรงนี้นะ่ะเอ อ, อยู่ภายในจิตใจนี้ก่อนเมื่อทราบนี้แล้วเราทําไม่ต้องพูดถึงข้างหน้านั้นกําลังของเราขนาดไหนขนาดไหนจะกล้าไปได้ขนาดไห น, ไ น, ไหนมันจะรู้ภายในตัวภายในตัวนี้แล้วก็สุดท้ายก็รู้ภายในตัวนี้หมดจดไม่มีอะไรเหลือเลยเฮ้อนี่เหลือความสิ้นทุกข์เป็นอย่างนี้เหลอ อะไรเป็นเครื่องก่อทุกทุกวันนี้มีอะไรยึดภายในหัวใจนีมันจะมีอะไรไมีตะกี้ดเด็ดตัวเดียวเท่านั้นนะะเมื่อกิดเด็ดมันสิ้นสร้างไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องหรอกเขามีแต่ขันหา้ายุกยิบยุกยิบหยิบไปเหมือนหางกิ้งเหลนเท่า น, นั้นเองมันดิ่งของมันมไม่มีเจ้าของนี่อวิชชาปญาซึ่งเป็นตัวที่ให้เกิดอุปทานที่มันม่นถือมั่นมันตายไปแล้วอะไรมาเป็นเจ้าของขันห้าไม่มีเจ้าของทำเป็นผู้เอามาใช้เทนั้นท่านถึงจะเป็นเจ้าของทั้งกมายุดนี่ทำกิจเป็นความบริสุทธิ์แล้ว เอาขันห้านี้มาใชา้ขันห้านี้คือวิบากของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสแต่กิเลสมันตายไปแล้วทำก็ามาใชา้นั่นแหะท่านใช้ไปรประกาศศาสนาศาสาศานธรรมสอนโลกหลงกวงพ่อเจ้าตรัสรู้เดีวแล้วเอาขันนี้เราไปสั่งสอนโลกเสด็จไปน้โน่ที่นี่เสียงก็เสียงของขันห้าจะว่าง่ายประกาศําสอนโลกพระสาวกทั้งหลายประกาศศาสนาก็เอาขันห่านี่ยท่านอาศัยสมบัติ ของยิเรียสคือขันห้านี้ไปให้ทําประโยชน์ทางด้านธรรมประโยชน์แก่โลกแกส่สงสารท่านท่านท่านไม่ยึดนี่พอสิ้นวาระของมันหมดกําลังแล้วขันห่านี้พังทลายท่านก็ปล่อยไปตามหลักธรรมชาติมิจฉาโตัปรินิพุโตนะดับรอ่หมดความกังวลจะถี่ไม่ต้องยุ่งนั่นแ่ะผู้พูด ผ, ผู้ดับจริงดับอย่างนั้นดับไม่ได้ดับร่มจับจมไปไหน แต่ บ, บร ม, มสุขนะ่ะมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับผู้รู้นี่ปัจจุบันนกจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ตัวของเรานี่ยกิเลสก็อยู่เป็นปัจจุบัน น, นักจิตอยู่ปั จ, จุในปัจจุบันนกิจปริบธรรมอยู่ที่ไหนมันแทรกอยู่ในนี้แก้มันลงที่ตรงนี้เลยแต่คิดอะไรเรื่องพุตรการอย่าไปคิดถึงเรื่องไม้เรื่องชลาคําฆ่าเรื่องการเกิดการตายของเราเป็นงนั้นนี่อํานาจวัฒนาน้อยในกิเลสมันหลอกไปหลอกไปมันมันจะให้ออกหนีจากหลักเกณฑ์ที่จะฆ่าตัวหัวมัน่ะ ฟันมาตรงนั้นสินักปฏิบัติเอาให้มันจริงมันจังในการพูดปฏิบัตินี้ได้หายต่อนอารมณ์มัศุขไม่ต้องถามแหละเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดเป็นได้ตายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าจอมปัญหาก็คือกิเลสอย่างเดียวผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังอย่างนั้นดิ อดี๋ยนี้มันความรู้สึกของชาวพูดเรามันกลายเป็นเรื่องความสุดเอื้อมหมดหวังแล้วนะในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปนารกสวรรค์ถูกกิเลสมันกืนไปหมดกิเลสมันมีนรกสวรรค์ที่ไหนกิเลสไม่จะหลอกโลกว่าไม่มีไม่มีทางนั้นหลอกโลกหลอกใครโลกกิลกเลสเราท่านท่านสอนว่มันไม่ยอมรับ พอกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะไปยอมรับความจริงไงกิเลสไม่เคยยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงต่อความจริงเสมอไปจริงชื่อว่ากิเลสตัวหลอกลวงถ้าเป็นนาฏทิก็คือนัฏเถียนที่ตัวหลอกลวงนันดีๆนั่นแหละะมันไม่ยอมรับความจริงมิตรลอกตะพัดตะผือหรอกเบ็ดเกาะป่ากเรียว่างไงเอาเหยื่อล่อนี่น ตวัดทีเดียวเสร็จเสร็จเเสร็จมีแต่จําพวกหลอกนี่ทั้งนั้นแหละทําท่านไม่หลอกว่าอะไรจริงหมดจริ ง, รงมาตั้งแต่ครั้งไหนเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นที่ขนั้นเหมือนกันงมัดจิมาจิมาปฏิปทาเหมาะสมตลอดเวลาทั้งการปราบตามกิเลสทั้งการเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันตลอดเวลามีความจริงเท่ากันมันมีอดีตอ น, นาคตขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ การอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันนี้จังทุกขังนาตาดีดเส้นมันทัดไม่เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มร่างกายจิตใจของเราทุกๆท่านไม่มีใครบกพร่องต่างกันไม่จากกันเมื่เป็นก็จากกันเมื่ตายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทํางานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกองในจังทุกขังนาตาในท่านในกันของเรานี่แหละในจิตในใจของเรานี่แหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนเราอย่าไปว่านั้นไม่เที่ยงนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งไม่เที่ยงแทรก แสบกันอยู่แล้วเมื่อจิตได้ถ อ, อนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเที่ยงมาเที่ยงจิตไม่ได้สนใจจิตไม่แบกบไม่หามจิตเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์นั่นลูกสมมุติกับวิมุดจริงต่างกันอย่างนี้สมมุติมันจะดิ้นไปที่ไหนก็ดิ้นไปเธอก็บิดมุดแล้วไม่ดิ้นด้วยนะจริงตามหลักธรรมชาติของตัวเองะเอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสกควรยังขอริษจังรู้สึกไง